ถามที่เชื่อกันว่าพูดสาบานเช่นไรจะต้องไปรับผลเช่นนั้นนี่จริงไหมครับตอบอันเนี้ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสาบานแบบไหนยืนพื้นอยู่บนความชั่วร้ายระดับไหนด้วยครับยกตัวอย่างเช่นบางคนสาบานมั่วเช่นขอให้ฟ้าผ่าใจก็นึกอยู่แล้วว่าฟ้าไม่มีทางผ่าตัวเองถูกชอบเดินในร่มไม่ชอบตากฝนอยู่แล้วเป็นต้น มาดูตัวอย่างจริงที่บันทึกไว้ในคัมภีร์พุทธกันดีกว่าจากปัญจะปุตตะขาธิกะเปตะวัตถุสตรีนางหนึ่งมีใจประทุษร้ายแกล้งทำให้หญิงร่วมสามีแท้งลูกเมื่อถูกซักไซไล่เลียงว่าเป็นต้นเหตุหรือไม่นางกลับแซงสมสบทสาบาลว่าถ้าทำชั่วได้ขนาดนี้ก็ขอให้ไปเป็นพวกกินเนื้อรูปตัวเองเถิดเนี่ยแหละตัวอย่างของการสาบาลส่งเดช ใจคงนึกว่าอย่างไรคำสาบานก็ไม่มีทางให้ผลเพราะคงไม่มีมนุษย์คนไหนเสียสติขนาดกินลูกตัวเองได้แต่ความจริงก็คือมนุษย์เราถูกปิดบังไม่ให้เห็นสภาพในภพอื่นมิติอื่นที่เป็นอะไรก็ได้เหมือนฝันแต่ไม่เลอะเลือนปรวนแปรเร็วอย่างฝันนอกจากโลกมนุษย์นี้ยังมีโลกนรกโลกเดรัจฉานโลกเปรต คอยท่าที่จะลงทันอันไม่อาจเกิดขึ้นในสภาพมนุษย์เมื่อถึงเวลาที่นางทากาละหน้าที่สุดท้ายของชีวิตนั่นเองธรรมชาติได้ประมวลกรรมทั้งชีวิตที่นางทาไม่พบว่ามีกรรมใดทั้งดีและชั่วน้ำหนักเหนือกว่ากรรมที่ฆ่าเด็กในคันหญิงร่วมสามีกรรมฆ่าเด็กจึงถูกเลือกให้เป็นชนกกรรมคือเป็นหัวรถจักรนาขบวนไปสู่ภพแห่งเปรต หลังฟื้นจากภาวังแรกในพบใหม่นางพบตนเองอีกครั้งในสภาพเลือยกายมีผิวพันธ์ซามมีกลิ่นเหม็นฟุง้งมีมแมลงวันไต่ตอนเป็นกระจุกที่ย่ำแย่กว่านั้นคือเช้าต้องคลอดบุตรห้าตนแล้วมีแถมมื้อเย็นอีกห้าเซ็ดด้วยยังไม่พอตอนคลอดปุ๊บ ก, ก็ต้องกินลูกตัวเองปับ๊บเพื่อดับความหิวโดยไม่อาจหักห้ามใจตนเองได้เนื่องจากกรรมชั่วที่ลั่นสาบานไว คอยบีบให้ต้องทำแบบไม่มีสิทธิ์ยับยั้งชั่งใจนี่คือตัวอย่างที่ไม่ควรเอาเยี่ยงนางมีกรรมคือปาณาติบาตให้ต้องสวยผลอยู่แล้วแถมกาหนดวิธีสวยผลด้วยการสาบานคือระบุเสร็จสาบว่าถ้าทำจริงขอให้ต้องกินลูกตัวเองแล้วในที่สุดก็ต้องไปกินลูกตัวเองจริงๆคลอดแล้วกินคลอดแล้วกิน นับว่าตายแล้วต้องไปเป็นผู้ถึงความพินาศไม่อาจแก้ตัวจากปานาติบาตและไม่อาจแก้คําสาบานที่นึกว่าไม่มีผลแค่อา่านดูสำนวนของนางผู้ไปเป็นเปรตรายนี้เพียงประโยคเดียวก็เดาได้ไม่ยากเลยครับว่านิสัยใจคอเป็นอย่างไรทําบาปโดยไม่ละอายโกหกตาไม่กระพริบแถมเป็นพวกหยาบคายบาปที่หนาจึงบทบางปัญญามิตร ไม่มีโอกาสสำนึกผิดจนตายขอให้ทำความเข้าใจโดยทั่วกันว่าคำสาบานที่ยืนพื้นอยู่บนการอ้างกรรมที่ทำไปจริงๆนั้นที่แท้ก็คือการตั้งอธิษฐานโดยอาศัยสัจจะนั่นเองกรณีของนางเปรตนี้คือตัวอย่างของการทำบาปไปจริงๆแต่ดันทะลึ่งโกหกว่าไม่ได้ทำถึงกับยอมลงทุนสะบดสะบานเรื่อยเปยื่อยหวังเอาตัวรอดเฉพาะหน้า หากนางไม่ได้ฆ่าแล้วสาบานเช่นเดียวกันเนี้ยผลที่จะต้องไปกินลูกก็ไม่เกิดขึ้นเลยเท่าที่เห็นมาการท้าทายให้สาบานมักเจืออยู่ด้วยโทสะคำสาบานจึงควบคู่มากับคำสาบแช่งด้วยจิตที่หยาบคายเสมอเสมอถ้ากูทำขอให้กูพินาดแต่ถ้าไม่ทำขอให้มึงพินาดแทนอะไรแบบเนี้ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำจริงๆ แล้วก็ไม่ต้องรับผลของคำสาบานแต่อย่างไรก็ได้ชื่อว่าก่อวจีทุจริตคิดประทุสร้ายผู้อื่นอยู่ดีต้นยอมได้รับผลเป็นภัยเวรหรือได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจอันเป็นผลสะท้อนจากการสาบแช่งในทางใดทางหนึ่งใช่ว่าสาบแช่งแล้วจะมีผลเป็นความสวัสดีมีชัยแต่อย่างใด l o v ว่าจะคิดได้ก็ซะ